นั่งสมาธิก็จะไม่สับประกสามารถนั่งทำให้ใจสงบเข้าสู่อุเบกขาได้ เ, ออเข้าสู่สมาธิไดออ้แล้วก็ต้องละเว้นการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆมหรสพต่างๆเช่นการร้องรำทำเพลงการดูภาพยนตร์ดูละคร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 พอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากนอนต่อเพราะมันไม่สุขมันไม่สบายเหมือนกับนอนบนฟูกนั้นๆนะก็จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาบําเพ็ญ ร, รมขั้นที่สูงก็คืออุบเบกขาธรรมการที่จะทำใจให้ได้อุบเบกขาธรรมขึ้นมาจำเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง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 จะไม่มีวันปรากฏขึ้นมาใหม่ได้อีกนี่เป็นการทำลายความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างถาวนต้องทำลายด้วยปัญญาแต่ก่อนที่จะทำลายได้ปัญญาด้วยปัญญาได้นั้นจำเป็นต้องหยุดด้วยสติก่อนต้องรู้จักหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ก่อน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 เขาจะเสื่อมก็รู้ว่าเขาเสื่อมถ้าไม่มีความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วใจก็จะเป็นปกติเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แต่พอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะเกิดความรอสัมรอ้ายเกิดความกวลก歪กระสับกระสายเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้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 เวลาปลาปลานี้ผุดว่ายขึ้นมาก็จะเห็นการกระเพื่อมของน้ำเลยแต่ถ้าน้ำเป็นลูกคลื่นอยู่แล้วก็เพื่อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาปลาผุดขึ้นมาก็จะไม่เห็นความแตกต่างต่อย่างไดจิตของผู้ที่ยังไม่มีความสงบยังไม่มีอัปปนาสมาธินี้จะไม่เห็นความแตกต่าง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 แต่ถ้าเราไม่เห็นป้ายอันนั้นเราก็จะคิดว่าเป็นเครื่องเด่มที่จะทำให้เรามีความสุขเราก็จะดื่มไปพอเด่มไปแล้วก็ก็ต้องกะอักเลือดออกมาเพราะว่าเจอยาพิษนั่นเองอดังนั้นถ้าเราเกิดความอยากแล้วเราหยุดความอยากไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอน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 แล้วถ้าเจริญปัญญาได้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้พอมันมาเกิดชาตินี้มันก็จะเจริญต่อเวลาเห็นอะไรเสื่อมนี้มันจะพิจารณาปล่อยวางทันทีแทนที่มันจะเกิดความกลัวความเสื่อมมันจะไม่กลัวมันจะพิจารณามันจะเห็นตามความเป็นจริงแทนที่จะไปหลงไปยึดไปติดมันก็จะปล่อยแทนที่จะไปทุกข์ มันก็จะไม่ทุกข์นี่คือทำที่พวกเราสามารถเอาติดไปกับเราได้ถ้าพบนี้ชาตินี้เรายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะสามารถทำงานที่เราได้ทำค้างๆไว้ในชาตินี้ให้สำเร็จรุ่เรื่องไปได้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 ทำไปเรื่อยๆมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติมีความจริงใจที่จะทาตามความตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาทำก็เปลี่ยนใจอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความจริงใจถ้าใจไม่จริงแล้วเวลาจะทำอะไรจะไม่สำเร็จเพราะเวลาตั้งใจแล้วพอถึงเวลาจะทำก็เปลี่ยนใจเพราะไม่อยากจะทำ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 สัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาอาราโสยะธามมณิโจติอาราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทานาสีฤทธานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวาทานติอายุวันโสุขังภาลางาต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดต้องการจะถามปัญหา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 ความบังเอิญก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งเหมือนกันความบังเอิญนี่ก็เป็นเหตุบังเอิญเดินไปใต้ต้นไม้มะพร้าวมันหล่นมาใส่หัวตายอย่างนี้มันก็เป็นมันก็เป็นเหตุเหมือนกันความบังเอิญคือมันไม่ใช่เป็นแต่เพราะว่าเป็นการกระทาของเราต้องอย่างเดียวเท่านั้นคือมันมีเหตุอย่างอื่นด้วยโลกนี้มันก็มีเหตุการณ์ของมันฝนฟ้าอากาศน้ำท่วมพายุนี่มันก็ไม่ได้เป็น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 แล้วถ้าเราเราเคยทํามาเราก็จะติดนิสัยทํามาแต่คนบางคนนี่เขาอาจจะร่ำรวยด้วยการทำอาหากินที่ไม่ชอบก็ได้ช่อโกงคอรับชั่นก็รวยได้พวกนี้มักจะไม่ชอบทําทานกันเพราะว่าอยากจะได้มีแต่ความอยากได้ไม่อยากจะให้เพราะฉะนั้นเรื่องของ สิ่งต่างๆนี้มันก็มีมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่ทําให้คนรวยได้คนโกงก็รวยได้อคนทําความดีคนซื่อสะอาดสุดจริตก็รวยได้คนโกงที่ไม่รวยก็มีฮคนเื่อสะตา์สุจริตที่ไม่รวยก็มีเพราะฉะนั้นมันมันมันจะไปเหมาหมดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้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 ลงจากสวรรค์มาก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอถึงเวลาที่จะทรงสระละราชสมบัติก็ทรงสละได้อย่างง่ายดายไม่มีความหวงแหนในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทางเลยเพราะเคยได้สะได้เคยสละมาแล้วในในอดีตชาติมาจนเป็นนิสัยผู้ที่ทําทานนี้จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะ อ, ออก ปฏิบัติทำขั้นสูงได้ในเวลาที่จิตพร้อมที่จะออกพอจิตพร้อมที่จะออกปั๊บนี่ต่อให้มีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีอำนาจที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจของผู้ที่เคยทำทานมาอย่างโชคโชนได้แล้วแต่ผู้ที่ไม่เคยทำทานอย่างโชคโชนผู้ที่ต้องอาศัยทรัพสมบัติข้าวของเงินทองเป็นที่พึ่งเป็นสลณะนี่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 เหมือนในตำราที่ทรงสแสดงไว้เกี่ยวกับเศรษฐีท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่โลภอยากได้ทรัพย์แล้วก็หวงทรัพย์มีความตนีได้ทรัพย์สมบัติเงินทองมามากน้อยเพียงไรนี้จะเอาไปซ่อนไว้จะไม่บอกใครแม้แต่ลูกๆ ก, ก็ไม่บอกกลัวลูกๆจะมาขโมยมาเอาไปเอาไปฝังดินเอาไว้แล้วก็ไม่สนใจที่จะรักษาศีลทาบาปทากรรม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 แต่เป็นสุนัขถึงแม้ว่าจะได้อยู่ใกล้สมบัติของตนก็ไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากสมบัติของตนได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จผ่านมาทร<น>งเห็นจิตของสุนัขตัวนี้ว่าเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของทรัพย์ก็บอกลูกๆของเศรษฐีนั้นว่าสุนัขตัวนี้เป็นลูกเป็นพ่อของเธอกลับมาเกิดใหม่เลี้ยงมันไวด้ดีๆแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้ แล้วมันก็พาไปขุดดังที่พระเจ้าทรงตัดไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของการมีทรัพย์แต่แต่ไม่ไม่ชอบทาทายแล้วพอตายไปก็กลับมาเกิดก็ไม่ได้รับอันดีสงของทรัพย์ที่ตนหาได้เลยกลายเป็นของลูกไปหมดลูกๆ ก, ก็ไปใช้หมดแต่ถ้าทำแบบพระเวชสันดรไม่สวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มีเท่าไหร่ก็สละไปแบ่งปันไปให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขได้บรรเทาความทุกข์พอตายไปก็ไปเป็นไปเกิดเป็นเทพแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นพระราชโอรสเนี่ยนี่คือเรื่องของกรรมหรือการกระทําของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันแต่การที่จะร่ำรวยนี้อาจจะร่ํารวยเหมือนกันได้ แต่ด้วยเหตุต่างกันบางท่านร่ารวยด้วยอนิสง์ของทานที่ได้ทําไว้ในอดีตชาติบางท่านร่ำรวยด้วยความคดโกงคอร์รัปชันทำผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมก็ร่ำรวยได้ฉนั้นจึงต้องวิเคราะห์ในแต่และเรื่องไปใน แ, แต่กรณีไปมันไม่เหมือนกันทุกกรณีคำถามต่อไปจากคุณช้าง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 ข้อที่สองผมอ่านเจอว่าสมาธินั้นจะช่วยส่งเสริมให้วิปัสสนาธรรมได้ดียิ่งขึ้นหรือได้มรรคผลเร็วขึ้นแต่ผมพยายามทดลองนั่งสมาธิแล้วแต่ไม่เคยเกิดปรากฏการเข้าฌานอย่างที่ทิษดีว่าไว้ควรทำอย่างไรดีครับหรือให้ผมจเจริญสติไปเรื่อยๆแบบนี้ไปก่อน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 ถ้าเราขับรถเราจะมองว่าข้างหลังมีรถตามมาหรือไม่เราก็ต้องมีกระจกดูเราถึงใจเห็นภาพที่อยู่ข้างหลังเราได้ชันใดถ้าเราอยากจะเห็น อ, อ, อริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในใจของเราเราก็ต้องมีกระจกสองใจกระจกสองใจนี้ก็คือสมาธินั่เองทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจก็จะหันกลับเข้ามาดูข้างในมองดูใจมองเห็นใจ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 การกระทำอย่างนี้ไม่เป็นการเสียหายจะทำด้วย ว, วิธีไหนก็สุดแท้แต่วิธีง่ายๆก็กราบสามครั้งก็พอไม่ต้องมาตั้งหน้าโมมากล่าวขอขมาลาโทษกันเจอกันที่ไรก็ตั้งหน้าโมขอขมาลาโทษกันทุกครั้งไปไม่จาเป็นต้องทำก็ได้ความเคารพอยู่ในใจของเราถ้ามีความเคารพแล้วมันจะแสดงออกมาทางกายทางวาจาเอง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 ผมปวดขาและเอ็นขากระตุกและปวดมากจนทนไม่ได้เหมือนกระตุกใกล้ๆจนจะล้มถ้าเจอเวทนาอย่างนี้จะทำอย่างไรครับก็มีสองวิธีด้วยกันวิธีง่ายก็คือให้บริกรรมพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บนั้นให้เกาะติดอยู่การบริกรรมจนลืมความเจ็บนั้นไปแล้วความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปเราจะสามารถอยู่กับความเจ็บนั้นได้ หรือไม่เช่นนั้นจิตก็อาจจะรวมเข้าสู่ความสงบปล่อยวางความเจ็บความเจ็บหายไปจากการรับรู้ได้ชั่วข่าวอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่วิธีที่ยากที่ต้องทาที่ถ้าทาได้จะดีกว่าวิธีแรกเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรก็คือการเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นความเจ็บว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา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 สิ่งที่เป็นโทษก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความกลัวความเจ็บนั้นถ้าเราไม่กลัวความเจ็บแล้วใจของเราก็จะไม่มีโทษใจของเราก็จะสงบจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายข้อที่สี่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 วิธีอยู่ตามลําพังได้ก็ต้องรู้จักภาวนานี้เองรู้จักทําใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วใจจะปล่อยวางทุกอย่างคําถามต่อไปจากคุณธีรกิจทํายังไงครับตัญหาจึงจะหมดไปจริงๆก็ต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยก่อนที่จะปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องเจริญทานศีลก่อน ทำทานให้ได้ก่อนปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่โลภไม่อยากได้เงินทองไม่หาไม่ใช้เงินทองเป็นที่เพื่งหาความสุขให้มาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถ้าปฏิบัติทำรักษาศีลได้ก็จะมีสมาธิมีปัญญาที่จะสามารถละความอยากต่างๆได้คําถามต่อไปจากคุณนพ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 รู้สึกตัวอย่างรวดเร็วสติว่องไวมีความสุขขนาดลืมตาไปจนออกจากสมาธิหลายชั่วโมงแล้วจากนั้นก็พิจารณาอาการ32และอาสุพะพิจารณาอะไรก็เห็นได้ชัดเจนคำถามข้อแรกจากที่เล่ามาจะมีอันตรายหรือผลเสียเมื่อถูกรบกวนขนาดนั่งสมาธิไหมครับ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 เราไปซื้อของมาแล้วเราเอาไปถวายพระเราก็ได้บุญบุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วแต่ของนั้นมันจะพระจะเอาไปเวียนเอามาขายกับไม่อีกอีกเจ้าหนึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราดัางนั้นไม่สําคัญว่าเขาจะเวียนหรือไม่เวียนสําคัญว่าเราให้หรือไม่ให้บุญอยู่ที่การให้คําถามต่อไปจากคุณนิดหน่อย ยมว่ามันก็ดูยากนะคะว่าคนชอบทาบุญนั้นมาจากใจจริงหรือเปล่าเพราะสมัยนี้คนทาบุญเอาหน้าก็เยอะทาบุญเพราะหวังผลอื่นก็เยอะบางทีเงินที่ทาบุญก็โกงเขามาเลยทําให้มีข้อสงสัยว่าอย่างนี้เขาจะได้อานิสงส์จากการทาบุญไหมคะไม่ใช่เรื่องของเราสัหน่อยให้รู้แต่เรื่องของเราก็พอขอให้เราทาบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทำบุญเพื่อตัดกิเลสคือความโลภความตณีความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะถ้าเราอยากจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปเราจะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปคำถามต่อไปจากคุณหลงรักเธอแต่เพียงฝ่ายเดียวผมอยู่แต่ในบ้านเป็นคาราวานไม่ได้บวชเป็นพระ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 ว่าเราได้ตัดสรู้แล้วเราได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องถามใครสันทิฏฐิโกเรื่องการปฏิบัติเหมือนกับการกินข้าวการหลับนอนนี่หลับนอนพอแล้วไม่พอคนนอนรู้เองกินอิ่มไม่อิ่มคนกินรู้เองชั้นใดการปฏิบัติทำบรบรลุแล้วบบรรลุผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองแต่เป็นไปได้ที่อาจจะรู้รู้ไม่จริงก็ได้เพราะชอบหลอกตัวเอง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 พอแยกกันไปนั่งได้สักพักหนึ่งพักสองลูกก็ได้ยินเสียงนกขวิกขึ้นมาก็เลยวิ่งไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรไปถึงพักตรงนั้น ก, ก็ไม่มีอะไระผมตื่นเต้นผมดีใจผมผมหลุดแล้วผมบรรลุแล้วอาเขาเลยบอกโอ้ยงั้นก็ขออนุโมทนาสาธุ ด, ด้วยไม่มีไม่มีพายแต่ลายเขาก็พอใจแล้วเขาก็แยกกันกลับไปนั่งภาวนาต่อ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 อาจจะตัดแบบยังขาดไม่ไม่ขาดหมดก็ได้ยังไม่ถึงรากถึงโคนเหมือนก็ได้ยันต้องคอยปฏิบัติคอยดูไปเรื่อยเฝ้าดูไปเรื่อ ย, ยทดสอบใจเองไปเรื่อยแล้วก็จะรู้เองคำถามต่อไปจากคุณปีเตอร์มองคลาวาสไปนิพานได้ไหมครับการไปนิพานนี้ไม่ใช่เป็นพระหรือคลาวาสไปแต่เป็นจิตที่มีสุปฏิปโนไป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 จิตเผลอไปบ้างก็แต่แต่ก็ทราบบางครั้งรู้สึกมีความสุขเหมือนพระจันทร์เสี้ยวให้หายแล้วก็สงบเป็นอย่างนี้ยังมีบริกรรมบางครั้งห่างบางเวลาก็ ท, ทีีอยากทราบว่ามาแบบนี้พอจะถูกทางไหมครับถูกแล้วพยายามจเจริญสติอยู่เรื่อ ย, รอยบริกรรมพุทโธไปเรื่อ ย, อยแล้วพยายามนั่งให้มากขึ้น การนั่งนี่จะทำให้จิตรวมลงได้มากขึ้นได้ลึกกว่าได้ลึกขึ้นกว่าอุรยาบทอื่นข้อที่สองถ้าพุทโธหายคือจิตรวมใช่ไหมครับหายแบบหายเพราะหลับก็มีสติไม่มีหรือหายเพราะจิตรวมจิตหยุดปรุงแต่งพุทโธก็จะหยุดไปแาการรวมมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มาสัจจรรย์ที่จะรู้ทันทีว่านี่แหละคือ ความสงบเป็นอย่างนี้ความสุขของที่เกิดจากความสงบเป็นอย่างนี้ถ้าแบบหายแบบไม่รู้หัวรู้ก้อยนี่แสดงว่าหลับใช้มากกว่าข้อที่สามพระโสดาบันยังต้องสำรวมระวังสอดส่องศีลของตนไหมครับ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 สามารถที่จะกำจัดกิเลส ท, ที่จะเป็นตัวให้ไปละเมิดสินแปดก็คือความอยากในกามนั่นเองพระโสดาบันจึงต้องจเจริญอสุภะถ้าอยากจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงขึ้นไปถ้าอยากจะบรรลุเป็นพระสกิฎรคามีพระอนาคามีพระโสดาบันจำเป็นจะต้องพิจารณาอสุภะอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าพิจารณาได้เป็นครั้งเป็นคราวทาให้กามารมณ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 ถ้าเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาการอาลม์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอนาคามีได้พระอนาคามีก็จะรักษาศีลพรมจรรย์ได้คือท่านจะไม่มีความรู้สึกที่อยากจะออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นการร่วมหลับนอนคือศีลข้อสามหรือการหาความสุขจากการรับประทานอาหารหลังจากเทียงวันไปแล้ว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 คำถามต่อไปจากคุณหลิงหลิงถ้าสามีปฏิบัติจนเข้าใจเรื่องอาสุพะพอสมควรแล้วอยากออกบวชได้ไหมคะ ผ, ผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าพร้อมที่จะบวชเมื่อไหร่อยากจะบวชหรือไม่บวชอะ น, นั้นก็ถ้าไม่มีความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองขอ ง, ของตนแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมที่ยังต้องอยู่เป็นครารวะกันอยู่ก็เพราะว่ายังไปอยู่คนเดียวไม่ได้นั่นเอง